ให้ขับนั่งขับสมาเทศให้เป็นให้ได้ทุกทุกคนการนั่งขับสมาเทศนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธเจ้าของเราที่ทนได้ตรัสรู้ใต้ลมไมโ้โผวันเดือนหกเห็นที่เรา พากันจำการทำพิธีมาเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นชื่อของเดือนวันนั้นเป็นวันประสูติวันตัศลุวันพระพุทธเจ้านิพานสามการไปรวมอยู่ในเดือน6กเพ็ญวันนั้นพระพุทธเจ้ามาถึงล่มไม้โพ นั่งสมาธิภาวนาขับสมาเพ็ดให้ทุกทุกคนนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนนั่งให้เป็นมห้ยทุกคนเดี๋ยไปเีว่ามันเจ็บมันขัดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน เอามือจับขึ้นมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนทางนั่งทุกคง น, นั่ ง, งทางหิิงทางซ้ายหากนั่งให้ได้ให้เป็นมันไม่ตายหรอกมันตายไม่ในดงน่งในมีเผมาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 เมื่อหลักตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำว่าพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นหลักของประพุติป่าธรรมะมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็ น, รนประธานประธานคือพระพุท ธ, ธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่าน มาตัดสู้เอาในล่ำไม่พออย่างเดียวท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ปารถนาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าคือต้องการจะให้เดชตักเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแต่ท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทําทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากร บ, บนบาราณีนั้นจึงเต็มเตี่ยงขึ้นมาได้มาต ร, รัสูลในล่มไมโพนั้นประเทศอินเดียนั่นและกว่าจะตรัสูลใดแน่ว่าเป็นอสงไขยอสงไขย เรื่องภาษานี้คคำว่าอาสงไขยสีอาสงไขยแสนมหาจักรเฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมงของเราเลียงนอย่างต่างถ่าพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอย่างตรีโทเอกเป็นอย่างต่างอย่างที่สองบำมเพนนานแปดอาสงไขยแสนมหาจักรอย่างสูงสุดก็แล้วอ่ะสิบหกอาสงไขยแสนมหาจักร จึงจะได้ตรับเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทางไปสู่นิทานหรือว่าที่จะเอามนุษย์และเทวดาอินทร์มสั่งสอนไปสู่นิทานได้นั่นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรล้ในโลกเท่านั้นจะสั่งสอนรอบคอบเอาไปได้ เมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จเป็นพระโสดาภักขาคาอนาค า, าราหันตาก็สั่งสอนอบรมกันมาโดยลำดับตายแล้วก็แล้วไปไปู่นิพานยังไม่ตายก็สั่งสอนกันมา จนมาถึงวันนี้เวลานี้ที่เราท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิภาวานาในวัดธรรมภากหลอกเป็นเวลายาวนานสองทันห้าร้อยยี่สิบเก้าปีนี้แล้วเราท่านทั้งหลายจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณกระพุทธระธรรมผระสงค์ท่านจึงวางเก็นระเบียบ ว, ว่าต้องภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกถึงกระพุทธระธรรมพระสงค์ทั้งสาแล้วก็เอาพุทโธคำเดียวพุทโธคาเดียวก็พระพุทธเจ้าก็ประ ธ, ธรรมผระสงค์ก็อยู่ในที่นั้น เือเป็นวิธีการมัดจิตใจหรือว่ารวมจิตใจท่านให้เชื่อว่าสมถะกรรมฐานมีอบายที่จะต้องเจริญนึกอยู่อย่างย่ออย่างน้อยก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานสี่สิมีพุโทโธธรรมโมสังโคเป็นต้น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 ยังไม่เข้าถึงสาระคือประพุทธธรรมประสงค์เวลานี้การนั่งสมาธินี้ให้เชื่อวนั่งขัดสมาธิครัวเป็นจิตใจเราจะได้เข้มแข็ ง, ขงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายคำว่าเข้มแข็งก็แปลว่าไม่หลงไปตามกิเลสราคะปัญหาไม่หลงไปตามกิเลสโทสะ ไม่หลงไปตามกิเลสโมหะนั่นเป็นผลที่สดจะต้องไปจุดนี้แต่ว่าต้องฝ่าธรรมต้องฝึกหัดโดยเฉพาะที่เรานั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนนั่งไม่ให้จิตใจเหงานอนนั่งตั้งใจบริกรรมธรรมใจของตนให้แน่วเป็นดวงเดียวที่ว่าให้นึกพุทโธเป็นบริกรรม เราจะนึกอะไรอะไรได้ท้งนั้นหรืว่าเอามาสอนใจมัดใจของเราให้อยู่เช่ยกอนถ้ารวมจิตใจยังไม่สงบเมื่อใดเลยไม่มีทางกิเลสลาคากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดึงลากไปอยู่ในวัตถสงสารไม่จบไม่สิน้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึง ล้มไม่พอประเทศเยินเยีนนั่นแล้พระองค์ก็นั่งขัดสมาพิตนั่งขาดสมาพิสต์ของพระพุทธเจ้านั่นท่านจะนั่งตายนะไม่ใช่นั่งกินถ้าหากว่าป ร, รัตรูลเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจากที่นั้นเป็นอันคัดไม่ต้องไปห่วงกินห่วงนอนเหมือนแต่ ก, ก่อนสองตัดสินใจลงไป เพื่อสู่กับกิเลสมารสังขารมารในจิตใจของพระองค์นั่นเอ ง, เองที่ตานานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าสู้กับมารพยา ม, มานเสนามารเรียกว่าอารมณ์ของโลกล่มมาใส่พระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้ารับไม่ไหวแล้วแต่พระองค์ได้ตั้งสัจยาที่านลงไปว่า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 เจิตใจคนเรานี่แหละมีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงหลายจิตหลายใจแต่ว่ากิเลสตัณหามานะทิฐิอมันมีอยู่ในจิตในใจมากมายมันโพกมัดลัดเลงแฉลบุคคลให้มาเวียนวายตายเกิดในมนุษย์สโลกเทวโลกคมมะโลก เอตาโลกยมมาโลกมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์น้สัตนำอะไรต่อมิอะไ ร, นนะไรจนถึงขั้นตกอังรกอเวเจทุกอย่างนั้นเรียกวกคนเจ็ดดวงนี้แหละดวงที่รู้ที่ฟังดวงที่เรานึกกุดโทเดียวนี้แหละรวมเอาเจตใจดวงนี้ให้ได้ก่อนอื่นใด้ ถ้าหยดจิตดรงนี้ไม่ได้มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปแล้วไม่รู้ห ล, ลงไป็มเขาว่าอย่างไดมาได้ยินอะไรเป็นคนหูเบาคนหูเบาก็คือคนใจเบาทาสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้เบาไปหมด ใครมาสรรเสริญเยินยอขึ้นมากุญดีอกดีใจเข้าใจว่ามันดีตามเขาสรรเสริญเยินยอ่อยกย่องให้ดีอย่างไงถ้าเราไม่ทําดีเราไม่ทําบุญให้ทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ละกิเลสลาคะโทซาโมหะในหัวใจของเรามันเอาดีไม่ได้ ทำชั่วมันคิดเอาได้แต่ว่าทำดีนี่ต้องฟังคำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้ า, ไ ม, จจาไม่มีขาดนี่ตจจ้าเดึงให้ไปหลงทั้งนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่อื่นใจที่ไหนง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่น ท่านสอนให้คนเราละบาป ท, ที่เคยทำเคยพูดเคยคิดมาแล้วอันใดที่เป็นบาปให้ละคือว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าคิดต่อไปอย่างเวลาเราภาวนาพุโทโธอันเดียวหรือนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ไม่ให้จิตใจมันล็อกและวันไหว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 พูดดีด้วยวาจาคิดดีในทางจิตที่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธก็เรียกว่าเอาจิตดวงทีู่ลอยู่ในตัวนี้แหละมาคิดดีมาเจริญดีท่านก็ให้เชื่อว่าสติให้มีสติความระลึกได้สติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่าให้ระลึกอยู่ในกายนี้กายนี้เกิดมาจากพ่อแม่ เกิดมาแล้วก็มาจเจริญวัย ใ, ใหญ่โตขึ้นไปเพราะมีบิดามารดาผู้บังเกิดก้าวช่วยดูแลให้ตัวเราจึงไม่ตายแต่เล็กแต่น้อยมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สิงเยและานถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลให้ตายทุกไลไม่ได้มานั่งภาวนาทำภาสองเรา อาศัยผู้อื่นเป็นโยเราจรึงได้เจริญวัยใหญ่โตมาจนถึงแบบ น, นี้ต้องนึกถึงคุณบิดามารดาผู้บางเิดก้าผู้ทะนุดำลงดำลงให้ทุกอย่างทุกประกาจรจนกระทั่งตัวเราทั้งกายทั้งจิตเจริญวัยใหญ่โตมาจนเลี้ยงดูรักษาตัวเองได้นี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวานาก็ให้ตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทั้งตัวนี่คัน เ, เดียวว่าตั้งใจใจจะตั้งได้กายก็ต้องปั้งนั้นคนจึงมีวิธีการนั่งภาวานาแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไป จุดสำคัญก็ให้เอาจิตเอาใจของตนให้อยู่มั่นคงในศีลในธรรมในคำสอนใได้อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาูกตีเตียนนินทาของโลกเลิกล้มความดีงามเคยทำบุญทำทานก็ทำไม่ได้เคยรักษาสิ่งห้าสิ้งแยก็รักษาไม่ได้พอโูกเพื่อนมนุษย์ ตีเตียนนินทาว่าไ้าให้หลงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ใครจะตีเตียนนินทาเป็นเรื่องของคนผู้ตีเตียนนินทาคนไม่ถธกินทาไม่มีในโลกคนเกิดมาแล้วหูก็จะต้องได้ยินเสียงเสียงดีเสียงชั่วก็ต้องมีเข้ามาในหูไปห้ามมาให้ผู้อื่นว่าก็าได้ ห้ามใจของเราภาวนาพุโทโธตั้งใจลงไปให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระพุทธเจ้าทันว่กให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินที่เรานั่งนอนยืนเดินไปมาแผ่นดินเขาไม่วันไหวฉันใดใจของเราผู้ภาวนาพุโทโธก็ย่าได้วันไหว ทำใจของตัวเองให้องค์อากล้าหารโดพระพุทธลกูกพ น, นั่งภาวนาเรียวจะนั่งแบบไหนพระพุทธโลกเรียกว่าเป็นตัวอย่างสอนพวกเราทั้งหลายให้รู้จักนั่งภาวนาไม่ให้ใจที่เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญตอดเงาเหงาเหมือนกับปลอมตาไม่ได้ ตั้งใจขึ้นมายกใจิตใจของตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใจมันง่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญหูนั้นหู่นี้คิดตกวิจารไปไม่เอาเลิกละทิ้งเถอะพุทธโธพุทธะอิตคิู้รู้อยู่ในกายใ น, ใ น, ในใจนิตนี้นั่งก็ภาวนาอยู่ในใจเดินก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจ ภาวนาอะไรที่จะทําใจให้สงบหละก็ภาวนาได้นึกไนดะ้เราเกิดมาต้องตายนั่าก็เอาตายมาสอนใจมาให้จิตใจมันล็อกและวันไหวสั่นจะเถื่อเอาตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินดูผืนแผ่นดินที่เราตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เขาไม่วันไหนใครจะทายอุจจาระปัสสาวะให้แผ่นดินก็ไม่วไหวใครจะขุดจะกลนจะทำาย่างใๆแผ่นดินก็เฉยนารจิตใจผู้ภาวนานั้นถ้าทำได้เหมือนแผ่นดินจึงจะละอิเลสความโกรธได้ละอิเลสความโลภความหลงได้ถ้าใจมันไม่นักแน่นละไม่ได้ ใจไม่มั่นคงเร้ยว่าใจไม่สงบในโลกมีตาก็ต้องเห็นโกูกโลกที่เห็นทางตาจิตกิเลสมันก็จะดูแต่โู ก, กที่สวยที่งาผลโลกที่ร้ายกิแลสูลกสะกะปลอกสมมุมันก็เมอยู่เต่็นโลกมันต้องเห็น โูกคนเกิดโูกคนแก่โรคคนเจ็บไข้ได้ป่วยโูกคนตายโูกคนเผาผีกีกระดูกมันมีหมดเลยเสียงเข้าทางหูตาหูจมูกเลี้ยงสารจะลูกเข้าทงางตามันเข้าออกธรรมดาแต่ว่าจิตภายในไม่ภาวนาละกิเลสโูคดีก็ดีใจลูกไม่ดีก็เสียอกเสียใจ น้าลักคือใจมันหลงไมใ่ใจมันหลงไหลไปที่อื่นใจภาวนาใจใสเหมือนดวงแก้วมนันนิใจใสสะาไม่โกดไห่ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงไปตามอารมณ์สิเลภาวนาตั้งใจเอาพุทโธให้อยู่ในตัวในใจของตนได้ สอนตัวเองให้ได้เมื่อใดอยังสอนใจตัวเองไม่ได้อยากไปคิดจะไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้เขาไม่ฟังโดพระพุทธเจ้าพระองค์สเสด็จออกบวชได้หกปีล่วงแล้วพระองค์ยังไม่ได้สอนใครเลยภาวนาลูกเดียวจนมาตัดสโลน่นั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโค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 พุทธอันเดียวพุทธแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้อย่าไปหลงอันหลงนั้นมันมีมาแล้วตั้งแต่อนเนกะชาะจิตนั้นมันเกิดมาจนนับไม่ถ้วนแต่จิตนี้มันโง่เขาเบาปัญญาภาวนาที่เกียรติทีขาดมันไม่มีปัญญามันก็เลยโง่โง่เขาก็ว่าง่ายงาเขาก็ว่ามันอยู่กับจิตนั่นแหละ เกียรตเกียรติข้านภาวนาโง่เงาโง่เง่าเต่าตนเขาก็ว่ามันโง่ามาอย่างนี้นับพบนับทราไในทวนแล้วเรายังจะไปเชื่อไปหลงกิเลสอยู่ไม่ได้ต้องลบขึ้นตื่นขึ้นเดี๋ยวยืนขึ้นลบขึ้นต่อสู้ยืนอยากต่อสู้กิเลสในหัวใจของตอนนั่นแหละไม่ต้องไปต่อสู้คนสัตว์ประหัประหารกัน โลกกับกิเลสความโกรธในใจมันได้ใช้ถนะดเขาด่ามาก็ไม่ต้องโกรธไม่ต้องว่าเขาด่าละเขาด่าเรามาเกิดมาตายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสเขาสอนนั่นเองโลกเขาสอนธรรมชาติเขาสอนล้อนหนาวดินฟ้าอากาศเขาสอน ให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมามันเฉลียวฉลาดสา ม, มารถอาฐานสู้กับจิเลตมานสังขารมานในใจของตัวเองให้มันได้ไัยชนะไม่ได้ไยัยชนะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาดาดูที่พระพุธทธเจ้าทำเอาแล้วว่าท่านวางมากใหม่มากใหม่แล้วว่าวัน พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล้มไม้พระองค์วางแดกใหม่แต่ว่าพระองค์ไม่ใช่ภาวนาพุทโธพุทโธเวลานั้นยังไม่เกิดนิโยแจยังไม่เด็ตัดจะตัดคือนั้นถึงไม่มีใครสอนก็เป็นธรรมดาของสัสมมาสัมพุทธิจาขั้นสอนเอง ท่านรวบรวมเข้ามาว่าจะเอาอะไรภาวนาก็อเอาภาวนาลมหายใจเนี่ยภาวนาทำกำห น, นดลมฉะนั้นสาวกภายหลังกันก็เอาพุโทโธบ้างเอาลมหายใจเอาเมาลณะกนะรรมฐานอะไรก็ได้ต้้งให้ได้มัดใจให้อยู่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปท่านกับสอนใจของท่านนี่ลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายนะแกจะตายอยูน่นะตัดสโลไม่ได้ตัดสโลผลที่สวดก็ตายเหมือนกับทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหมมันตัวเรล้วต้องตายเนี่ยนไม่มีใครจะไม่ตาย โดูสิที่เรามันนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ตายก็เป็นคนนั้นคนนี้โน่นนั่นแถบบนี้ไปตามเรื่องแตลว่าอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไปข้างหน้าพวกเราที่มันนั่งด้ยวยกันจะตายไปทีละคนสองคนผลที่สุดไปพบหน้าข้าตากันใหม่คนนั้นไปไหนตายไปแล้วจะดูเอาไปทิ้งที่ไหนโน่น เมืองพัทยาเที่ยงลงทะเลมันจะได้เย็นดิมันจะไปเย็นใจซากอย่างมันตายแล้วเย็นก็พาภาวนาพุโทโธเดียวนี้สิละกิเลสความโกรธเดียวนี้ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจเดียวนี้ให้ได้ละกิเลสความหลงหลงกายหลงจิตหลงโลกเสียงจินรดโทธทัพระธรรมลม ที่แล้วที่จิตใจคนเราทุกคนหลงมันไม่ใช่ว่าของใหม่อันเก่านั่นแหละมันมาหลอกลวงตาให้หลงในโูกหลอกลวงหูให้หลงในเสียงหลอกลวงจมูกให้หลงในกลิ่นหลอกลวงยิ้นให้หลงในรสอาหารหลงไหลในรสอาหารในการกินหรือยิ้น ล่้นไม่มีกระดูกไปเชื่อมันไม่ได้มันลอกให้เราหลงจะลิ่มรสจะกินแต่อะไระอร่อยมันกินไปได้สักกี่ปีสาพุติเจ้าแท้ก็แ0สิบปีก็เลียลิ้นหมดได้คนเราสมัยนี้จะกินไปถึงไหนร้อยปี ก, ก็ค่อยถึง มันหลงลุ่มหลงไปถึงไหนภาวนาพุโทโธเอาใจิตใจตั้งมั่นลงไปในใจให้ได้มันเนึกอะไรไม่ได้กับพุโทโธพุธโทโธก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คนคนหนึ่งเหมือนคนเราเองแต่พระพุทธเจ้ามีความอดความทนมีจิตใจอันสูงส่งกว่ามนุษย์และเทวดาอินทร์สู ไม่มีใครสูงสงทำบุญทำทานเก่งกว่าใครหมดรักษาศีลได้หมดภาวานาได้หมดทุกอย่างเรียกว่าแจ้งโลกไม่หลงไหลยอย่างคนเรา <c oughs> คนเรานั่นกิเลสภากินกิเลสภานอนกิเลสภาโพูดกิเลสภาจิตกิเลสภาธรรมไม่จบไม่สิ้นต้องภาวานาทำใจให้สงบตั้งมั่น เอาจิตใจดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่งกอดไม่มีอะไรกับพุโทโธอยู่ในใจพุโทโธก็อย่าไปหลงทำโมสังโฆก็อย่าไปหลงพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ย่นย่อมาในจิตใจของตัวเองนี่นละบาปบำเพ็ญบุญกรรินสมาธิภาวนาทำใจให้ของใสสะอาด ให้เข้ามาที่นี่ไม่ให้หลงนอกกายออกไปเขาจะสมมติมว่าอย่างไรอย่าไปหลงรวมกำลังเข้ามาตั้งใจลงไปทามันมั่นคงลงไปในจิตในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปมัวโลเลไปโลเลมาพุ่งสา่างลำคาไม่จบไม่สิ้นกันสิ พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายกิเลสโลเลทันละได้ท่านตัดได้ขาดแล้วยังเหลือเจ็ดเรามายอะเลยตัวเราของเราตัวโกของโกตัวข่าของข่าข่าเกณฑนั่นเกณฑนี่เกณฑอะไรก็ไปถึงเกณฑ์ตายตายเมื่อใดก็ฝังดินไม่เห็นเลเผาไปเท่งมันเหม็นปาบเขาไม่เข็ดไว้ เรายังจะมาเย็ดหน้าถือตายึดตัวถือตนมัวขี้เกียจขี้ค้านภาวนาอยู่ได้เลยเกิดมาได้อะไรติดตัวมาได้ น, นังหุ่มกระดูกก้อนอันเดียวนี่มาใหญ่ยายมาแล้วโลกสมมุติเขาว่าอย่างใดเจดนี้ก็หลงไปตามเขาไม่ภาวนาละอิเลก็เลยเป็นทุกข์เป็นรอน ลาคจินาไฟคือลาคเลิกละไม่ได้โทสจินาไฟคือโทสโมฮาจินาไฟคือโมฮาเลิกละไม่ได้เป็นนักบวชภาวนาตัดกิเลสละกิเลสเหมือนกัวผู้เสกเจ้าไม่ได้มากกวมาลมหลงงัวเมาตัวโกสองโกตัวข่าของข่าอยู่ไม่จบในสิ้นเอาให้มันจริงลงไป เ่ว่าพุทโธอันเดียวส ง, งบได้มันจะใช่นด้ส ง, งบไปได้ก็เป็นผีเผดผ้าโลกอยู่นี่แหะถ้าพุทธเจ้าคนไปนิพพานเราก็คานที่โ้องอยู่ในโลกนึ่งไปไม่ถึงไหนเกิดตายเกิดตายตายเกิดขึ้นมาเมื่อใดก็หลงเนี่ยว่าหลงหลงขี้ก้อนเก่าเล่าเวียนข่ำ วันทิศจันทานพุทธประหัสสุขเขาเดือนหนึ่งจนเดือนสิ่สองจีหนึ่งจนถึงสิบสองจีวนเวียนอยู่อย่างนี้จะไปจบที่ไหนพุทธคอในใจเอาใจให้ได้เอาใจไม่ได้มันตายเสียดีกว่ากินข้าวเกลือนเข้าสุขภาวนาละ ความโลภมันได้เอามันตายอย่าเงียละกิเลสความหลงไม่หมดมันตายมันแล้วไปพะานั้นต้องตั้งใจทุกคนภาวนาเอาให้มันถึงศีลถึงธรรมถึงคำสั่งสอนองพระพุทธเจ้าทำมาลาได้เด็กเปิดเปลือก เ, เ, เล่นๆไปอย่างนั้นท่นั้นตั้งใจลงไป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 บอไปได้เจ็ตนี่จะไปเยึนไปถือทำไมวางเฉย อ, อยู่เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเขาวางเฉยได้เจิตใจของกูปฏิบัติใครจะเกิดใครจะแกะ่ใครจะเจ็บใครจะไข้ใครจะตายข้าเป็นธรรม ด, ดาจ็จไม่ลุ่มหลงมัวเมาตัวเองไม่ลุ่มหลงมัวเมาคนอื่นผู้อื่นจะไปแก้ไขมันได้หรือ เ้องแก้จิตใจของตัวเองให้ได้นั่นงภาวนามันเจ็บแข้งเจ็บขามึนตาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเกี่ยววางเฉยเขาว่าเขาเจ็บหมายแข้งขาหน้าตาชื่อเสียงตาหูเขาว่ายอย่างไรเขาไม่ว่าเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นเองเจ็บ ใจดวงโพโลมันไมู่้มันหลงมันหลงก็เป็นทุกข์อย่างนี้ร้อนมากติว่าร้อนไม่ดีหนาวมากติว่าหนาวไม่ดีแล้วใครไม่ดีกันแน่นะจิดง้าวิดโง่แน่ทีต้องภาวนา เนั้นการปฏิบัติภาวนานั้นคนว่าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นชลาเป็นหญิงเป็นชายในเลือกทั้งสมัยพุทธกาลแก่ๆท่านภาวนาได้สําเร็จมากทุนเด็กๆอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระปิกติจารคาันาคาอารหันตตา ทั้งคารืหัดบรนปจิตนักบวชไม่มีใครทํารู้ทากรรมแทนกันเลผู้ใดภาวนาผู้ใดปฏิบัติเอาจริงเอาจังกนรู้ได้ในใจของตัวเองผู้อื่นจะไปรู้ให้ทําให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัส ว, ว่าเราตถาคตมาใจไปละกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะให้ ญาติโยมให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมเข้าใจเอาไปละธรรมกิเลสในใจของตนให้หมดสิ้นไปก็รู้ได้เข้าใจัรถ้าไม่ทำไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วก็อ้าวไปทา้งหลายก็แบกบท่าทีขันธ์ทั้งอ้าหน้าตาตัวตน หนักเหมือนแบดแผ่นดินละความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเรายึดเราถือเราใช่มันจะก็อยู่ตามใจของมนุษย์มันก็เสพแกเจ็บตายไปตามหน้าที่ตัวเองก็มานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกก็มาหลงลักหลงชังมันอยู่ไม่จบใน่สิ์เลิกเลยเลิ ก, ล ก, ลกทิ้งหมด พุโทโธอยู่ที่นี้ธํามโมสังโฆอยู่ที่นี้อยู่ในใจส ง, งบอยู่ในใจละกิเลสในใจมันหมดสิ้นไปก็ so, อยู่ในตัวในใจ mm hmm. ก็ต้องไปถามหาสวรรค์นิพพานที่อื่นตัวหลงมันบรรลุตังหะนั้นในยภากัรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปทอถอย ชีวิตยังมีอยู่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานทำจิตใจของเราให้สามารถอาถานไม่ข้อแท้อ่อนแอในหัวใจนั่งก็ให้ภาวนาเลิกในความดีท่านให้ชื่อว่าภาวนามันไม่ใช่เฉพาะพุทโธอันเดียวอันใดมันเป็นบทธรรมเป็นข้อธรรมจะเป็นภาษาไทยภาษาอะไรก็ตาม บาลีบาลเลมันไม่ใช่สําคัญสําคัญที่เราเอาไปฟังสอนตัวเองให้ได้ไม่ให้มันทําชั่วด้วยกายไม่ให้มันพูดชั่วด้วยวาจาไม่ให้มันคิดชั่วด้วดวงใจอุบายใดทำมิกล่าวอุบายใดมาสอนจิตอันนี้ได้เอาจนชนะมันได้นั่นแหละถ้าทำคําสอนปกติเจ้า คำสอนต่ะพุทธเจ้ามันมีอยู่เต็มโลกโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลถ้รรมคำสอนต่อพุทธเจ้ามันเต็มเละแต่เราไม่รู้จะเอามาสอนตัวเองนี่จะเอามาเสริมสร้างกิเลสราะโทสะโมหะไม่จบไม่สิ้น ม, มันทุกข์อยู่เลยทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ไปทุกอยู่ เอาไปจีมาหานรกตกนรกเป็นเศษทศกัณฐกายมาเกิดเป็นสัจดริยสานให้มนุษย์เอามากินเป็นอาหารตามเรื่องแต่ความรู้ฉะนั้นต่อไปให้เรารู้จักเข้าใจการตั้งใจให้มั่นคงสงบจิตใจของตัวเองได้แต่อยู่ที่นั้นละทานอยู่ที่นี้สีลอยู่ที่นี้สมาธิภาวนาอยู่ที่จิตที่ใจ โยติกายวาจาจิตของแต่และบุคคลพระพุทธเจ้าท่านโอปนญิโกท่านให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสอนเข้ามาทำใจของตนให้สงบระงับให้จงได้นี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยตาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนีสัพยติโยวิวัตชันตุสภะโลโกวินัสตุมาเตภวัตะ ว, วันตรายโยสุขีตีคายุโกภาวะ อาภีวาธานาชีวิสเิจังมุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมมาวะชันติอายุปนโนสุครังขาลัง